พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลงรลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19ตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสมาธิเป็นฐานให้ปัญญาเอาลูกหลานอยู่ในความสงบ เมือ่อในลูกหลานคงจะเอ๋หลวงพ่อสององค์ที่นั่งเลื่อยหลงอาจารย์รุ่นเนี่ยมันพอมาแต่ใส่นอจะ้ะกันลูกหลานข้นด่าว่าลูกหลานนักสังเกตนะเอถ้าเป็นไว้แต่ลูกหลานสื่อบือกับโบ้จักวะไปอัอนนี้ท่าน เ, นเป็นท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนครพนมน่ะองค์ที่นั่งต่อหลวงพ่อน่ะ เจ้าคณะจังหวัดนครพนมแล้วก็องค์ที่สองผู้เข้าขห้องจะมูงหลวงพ่อจําลัดอํเาเภอคําเชี อ, อีเจ้าคณะอํเาเภอคําเชี อ, อีทั้งสององค์เพิ่นจํนาพรรษสาไปจําพินา่นากับหลวงพ่อ น, นี่พ่นปีนสาราหน่อยพ่อแล้วนะเพิ่นกับเดีมาเยี่ยมหลวงพอ่อแต่เพิ่นก็นจะไปขึ้นไปพูดละนครพนมไปหาหลวงพ่อสุทัศน์มัง ปีกตัวจำพรรษาหลีกเล่นออกไปจำพรรษาทั้งนอกปีนะีวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าวันพุทธที่สิบเก้าตุลาคมพุทธศักราช2 5 5พันรยาพระในวัดของเรารวมทั้งท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์พระครูด้วย49องค์วันนี้แต่ลงมาชัน38มดมสันอ อันนี้คือพระเวรรายงานประจําวันในช่วงนี้เป็นช่วงกระถินของพวกเราตึงยาไงก็ข อ, ขอให้พระลูกหลานทุกองค์พี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันทำงำดูงานด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีพอวัดของเราก็มีปีหนึ่งเพียงครั้งเดียว มีกระถินวัดใชยช่วยๆกันคิดช่วยๆกันมองกันดูกันตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องช่วยกันจัดช่วยกันทำแล้วก็ค น, ออนเมื่อออกพรรษา ว, วันที่16วันที่วันนี้วันที่19เเมื่อออกพรรษามีคนเข้ามาวัดหลวงพ่อหลายหมู่นะ บางคนก็มาจากกรุงเทพมาตากจตากจา ก, จากต่างจังหวัดเข้ามาเพื่อไปพักแถวหนองคายแ ถ, แถบนี้แหละเพื่อจะไปดูบั่งไฟพญานาคว่างั้นนะมากลุ่มไหนหลวงพ่อก็ถามไปไงบั่งไฟพญานาคปีนี้โอไม่มีบั่งไฟขึ้นเลยเมื่อกี้ก็ถามโยมมาจากรัฐนะู อำเภอรัตนาวาปีใกล้กับอำเภอปากคาดอำเภอพลพิสัยมาเป็นไงบ้างไฟพญานาคขึ้นไหมครับไม่ขึ้นปีนี้อ๋อขึ้นได้ยังไงหัวหน้าพญานาคไปเดินทางไปกราบคารวะศพประสบของพ่อบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยมีตลูกน้อง <laughs> มีแต่หลกน้องเฝ้าฐานนะได้ไม่มีแกจิตแกใจจูบบ้องไฟปีนี้ไอเพราะหัวหน้าใหญ่เขาไปกับคารวะประสบของพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวแล้วเพราะนั้นปีนี้จึงไม่มีบ้องไฟอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลเขาประกาศห้ามเล่นการละเล่นทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในความสงบอทุกคนให้อยู่ในสติสัมปชัญญะอย่าให้มี จะให้ขาดจิติสัมปชัญญะคนในชาติจงสำรวมระวังพญานาคอยู่ใต้น้ำไม่น้ำโขงเท่าก็หยุดการลเล่นเหมือนกันนะไม่จูดบ้องไฟปีนี่ยต่ถึงยังไงก็าตามนะพี่น้องลูกหลานคณะสัายาิโยมทุกคนพวกเรารักในหลวงต้องอยู่ในความสงบ ต้องรักกันเอาไว้เมตตากันเอาไว้มีความเรือกูลหนุนกันเอาไว้ผู้ที่มีฐานะก็ช่วยผู้ที่ยากจนผู้ที่ยากจนก็รู้ว่าตัวเองยากจนก็ต่ออ่อนน้อมถ่อมตนทำการทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมคนหนึ่งออกเงินคนหนึ่งออกกำลังอยู่ด้วยกันด้วยความ เมตตาอยู่วยความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันประเทศชาติก็ล่มเย็นเป็นสุขนะถ้าอยู่ด้วยการแข่งแย่งกันมีความเห็นนินดๆหน่อยๆก็นะผิดหรือถูกก็ไม่รู้อีกเหมือนกันออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาทางโซเชียลดูๆแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองปั่นป่วนคิดจะทำอะไรต้องคิดให้ดีซะก่อน ในหลวงของเราท่านทรงพระชนอยู่ท่านบอกจะคิดอะไรจะทำอะไรต้องคิดสะก่อนจะพูดอะไรต้องคิดสะก่อนอย่าไปคิดอย่าไปทำโดยที่ไม่คิดจะทำออกไปเขาไม่คิดทำให้เสียหายได้ง่ายง่ายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนคือเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยขอให้พวกเราซํำรวมกายว า, ายาใจหน้าในช่วงนี้ อยู่ในความสงบเพื่อบูชาพระคุณพ่อของพวกเราคือในหลวงที่ท่านทำคขนอุปการให้กับประเทศชาติมานมนานมาถึงโค้งสุดท้ายของพระ อ, องค์ท่านแล้วพวกเราจะมาทะเลาะวิวาทกันไม่สำรวมกายว า, ายาจใจไม่น่าจะถูกต้องพราะพวกเราได้รับความเมตตาจากพระ อ, องค์ท่านมานมนานโครงการพระราชดำริเนเะท่าไหร่ ฟ, ฟังฟังตั้งสี่พันกว่ากว่าเรื่องไม่ใช่น้อยเลยเนี่นะคนคนเดียวพระองค์องค์เดียวทำพระคุณให้ขนาดนั้นแล้วใครในประเทศไทยมีไหมถึงจะมีอำนาจวาสนาก็เถอะนะก็ถลําถลายไปทางอื่นแต่ในพระองค์มองเห็นพี่น้องประชาชนผสกนิกรของพระองค์อยากจะให้อยู่ดีกินดี ลืมตาอ้าปากได้อ้าปากคืออะไรคือพร้อมที่จะบอกประกาศได้ว่าข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจอ้าปากพูดได้ลืมตานันมองเห็นการเป็นอยู่ของเราด้วยความสงบมองเห็นด้วยความภาคภูมิใจเห็นสิ่งไหนเข้ามาก็ภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ของเราไม่เสียไม่เสียชาติเกิด เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในยนุคนี้สมัยนี้ได้เกิดมาร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงคุณผู้ทรงคุณธรรมเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายเมนือเมื่อพระ อ, องคเอ์เข้าสู่สวรรคคาไรายไปแล้วก่อนเนี่ยให้พวกเราประกอบคุณงามความดีทุกคนน่นะตลอดพวกเรา อุบาสิกุบาสิกาก็เหมือนกันหลวงพ่อย้าเตือนไม่อยู่เสมอขอให้พวกเราประกอบสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไว้นะในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งการเป็นอยู่การเป็นอยู่ด้วยกันการเป็นอยู่ในกลุ่มในหมู่ในคณะแล้วก็การวางตัว ในการเป็นอยู่นั้ น, น, นจะวางตัวยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจะหลอดถึงเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอีกพระพุทธองค์ท่านก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระองค์หลีกเลนออกมาจากความสงบหลีกเลนออกมาจากประจําปรรษายุดด้วยความสงบหลีกเลนออกจากพระองค์ตามลําพัง จากนั้นพระองค์ออกมาและพระองค์ตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายถ้าคมีถ้ามีใครถามพวกเธอท่านทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในด้วยวิหารธรรมอะไรให้พวกเธอตอบได้เลยว่าอยู่ด้วยวิหารธรรมคือกำหนดลมหายใจเข้ากาหนดลมหายใจออกและก็มีพระสติสัมปชัญญะอยู่ในสมาธิอยู่ในสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าออก พวกเธอท่านท่านทั้งหลายตอบได้เลยว่า น, นี่พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้และเราขอบอกกล่าวได้อีกว่าจะเป็นสาวกรประวัติสาวกสาวกพิหารธรรมส า, สาวกพิหาระหรือพรมพิหาระหรือพุทธพิหารวิหารธรรมการเป็นอยู่ด้วยท่านเหล่านั้น อยูด่ด้วยสมาธิคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นพื้นฐานจิตใจสงบพระไทยใจสงบแล้วก็กายไม่หวั่นไหวใจไม่หวั่นไหวเมื่ออยู่ในวิหารธรรมอันนี้อันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของพุท ธ, ธาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพระเนรลูกหลานทุกองเหมือนก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยงก็เหมือนกัน ขนาดพระพุทธเจ้าบรมครูท่านก็นอยู่ยังอยู่ด้วยวิหารธรรมคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในสมาธิเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าห่างเหินในจุดนี้ต้องอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเวลาเราจะไปที่ไหนก็พยายามมีสติในการก้าวเดินอย่าไปเดินแบบซุ่มซ่ามแล้วก็มีสติสัมปชัญญะก้าวไปที่ไหนก็ให้มีสติพุทธ โทรไปด้วยแล้วก็เวลานั้งที่ไหนที่มันว่างอยู่ตามลำพังแล้วก็กำหนดหายลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโทรไปด้วยถ้าเรานั่งสมาธิตามลำพังเราก็นั่งเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเน้นหนักเป็นพิเศษในขณะที่เรานั่งอยู่ตามลำพังนั่งสมาธินะแต่เมื่อเราทำงานแลหลวงพ่อจะถามอีก เวลาเราขับรถก็ดีเวลาทําการทํางานก็ดีเอนั่งอยู่ในโต๊ะเขียนหนังสือก็ดีโต๊ะทํางานก็ดีแล้วเราจะกําหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องจืดจุ่นออกไปการทํางานเราต้องใช้ความคิดความรอบคอบในหน้าที่การงานนั้นถ้าคนมีสติอยู่กับตนเองแล้วนะเเวลาอยู่ในสมาธิตัวเองเนิ่งแล้วเวลาออกไปทํางานมันจะมีงาน คล้ายๆกับว่าสติของเราจะอยู่ในงานนั้นเราคิดเรื่องอะไรเราทำงานอะไรมันจะเป็นสัมปรสัมปะยุตสัมปยุดด้วยสติอยู่ตลอดแต่เมื่อเรายืดหยุ่นใช้เราก่อใช้งานการพูดการแสดงการแนะนำบอกกล่าวอะไรก็ตามก็มีสติอยู่ในการการพูดเรื่องนั้ น, น, น เนี่ยอันนี้ก็คือเรายืดหยุ่นใช้เหมือนหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกันเราใช้ยางสเต๊กเนะ่ยในเมื่อยืดเราก็ต้องยืดใช้เวลาหดาก็ต้องหดในเมื่อเราหยุดใช้หยุดใช้ยางสเต็กนะ่ยหรือหยุดคิดหรือหยุดทำงานมันก็หวนกลับเข้ามาหาสมาธิปั๊บกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทธโธกือเข้ามาหาหลักเวลาเราจะใช้ เราก็นำออกไปใช้นี่แหละสรุปแล้วก็คือการใช้จุดนั้นะคือใช้ปัญญ า, าใช้ปัญญาแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องสมาธิเป็นหลักเป็นพื้นฐานเป็นที่ยึดมั่นแต่ปัญญาเป็นขั้นก้าวเดินไปมองหาเหตุผลนี่แหละถ้าจะเปรียบเทียบอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสมถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสสนานั่นคือการกลองไตรตองหาเหตุและผล คือแนวความคิดอันนี้ถ้าหากว่าเราจิตใจของเราเป็นสมาธิในความสงบแต่เมื่อเรานำไปใช้งานก็จะว่าใช้ปัญญาก็ใช่แต่มันใช้ปัญญาปัญญาไปทางโลกการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆมันก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันเราจะใช้แบบสมาธิไปทำอยู่ทำกินเหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับเป็นยังไงจะทำงานได้ไหมไม่ได้ เพราะอะไรเพราะคนนอนหลับนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็คือเหมือนกับจิตใจพักผรนจิตใจนอนหลับจิตใจนิ่งในเมื่อจิตใจนอนหลับนิ่งออกไปแล้วมีกาลังเมื่อคิดพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุมีผลในการทำงานนั้นๆถ้าวอาคนไม่ได้นอนตาเบืเอ่อออดนอนไปโลกกี่วัน พอมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมันนอนละผลลัพธ์สุดไปทําการทํางานจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะคนไม่ได้พักนี่แหละเพ้อเผ้อกับรถก็ตกข้างถนนอีกต่างหากเพให้อะไรเพราะไม่ได้พักถ้าคนได้พักผ่อนเต็มอิ่มนอนแล้วเต็มอิ่มตื่นขึ้นมาก็ชดเชนแฉมใสจากนั้นจะพิจารณาเรื่องอะไรจะคิดเรื่องอะไร เป็นชิ้นเป็นอ่นเป็นเรื่องเป็นราวได้อันนี้เพียงการนอนของพุตุชนคนธรรมดาก็จะงมีเหตุมีผลอยู่แล้วถ้าว่าเป็นแนวแถวอริยะเมื่อนั่งสมาธิจิตใจยิ่งนิ่งนิ่งกว่าการหลับอีกต่างหากการนั่งสมาธิจิตใจแนวนิ่งรวมพอจิตใจรวมจากนั้นก็ถอนออกจากสมาธิเมื่อถอนออกมาสมาธิล้วก็พิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผล การเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรบ้างในกรรมฐานที่พระอุปชาท่านสอนลูกศิษย์ผู้เข้ามาบวชเกสาโลมาอันนี้คือกรรมฐานเพราะร่างกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมาพิจารณามองเห็นแล้วว่าใจของเราคือความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะหลงยิ่งกว่าหลงร่างกายของตนเองหลงรักรักกวรักมากหลงก็หลงมากพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจึงจะขี้ร้ายขี้เละยังไงก็ยังหลงอย่างรักร่างกายของตนเองเพาราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายนี่ยนะเป็นร่างกายเนี่เป็นหินหินรับปัญญาที่จะเกิดวิปัสสนาอย่างชัดเจนได้ต้องพิจารณาร่างร่างกายเป็นหลักเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายเกสาโรมา หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้ให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เป็นธรรมชาติของมันมันเป็นยังไงธรรมชาติของร่างกายในเมื่อเราชำระออกไปแล้วลำไส้ไปยังไงตับไปยังไงปอดเ ป, เป็นลําธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่ใช่เราอุปโลกพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่เราอุปโลกคิดนะมันเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อจิตผ่านสมาธิ จิตใจผ่านความสงบมาแล้วเมื่อพิจารณามันก็ต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเหอลไยเพราะใจิตใจของเราได้ฝึกในสมาธิมาแล้วเห็นตามความเป็นจริงชัดเจนในความรู้สึกในเมื่อเห็นร่างกายร่างกายของตนเองชัดเจนแล้วก่ะนะร่างกายนี้อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นนะใช่ไหมใจใจก็ยอมรับอีกนะในเมื่อใจยอมรับก็เห็น ของไม่เที่ยงขนาดร่างกายตัวเองอยังไม่เที่ยงยังไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดนี้ล่ะยศถาบรรดาศักิ์ละเงินคําทรัพย์สมบัติล่ะวัดวาศาสน า, า, าล่ะสามีภรรยาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของเราได้ยังไงใจไหมใจขนาดร่างกายอีกชักวันหนึ่งมันจะต้องแตกนะแตกสลายลงสู่ที่น้ําลงไปนะใจนะใช่ไหมยอมรับไหมในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิ อ้พรมดีแล้วจิตใจนิ่งแล้วะมันจะชัดเจนในความรู้สึกเลยเถอะเห็นชัดเจนเลยเ อ, อมันเห็นต่างควา ม, มเรื่องนั้นๆเลยใช่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันออกไปจากกายทั้งหมดถ้าร่างกายขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วส่วนอื่นเ อ, อเราจะนับเนื่องว่าเป็นของเราได้ยังไงใจจากนั้นกันนั้นเมื่อเห็นส่วนอื่นไม่ใช่ตัวตนร่างกายไม่ใช่ตัวน มันก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเธอใจของเราเนี่ยแหะเป็นหลงหลงร่างกายหลงสิ่งภายนอกทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นตัวตนของเราหลงในยศถาบรรดาศักดิ์หลงในญาติโกโหติกาสามีภรรยาวัดว า, าศาสนาลูกศิษย์ลูกหาหลงไปหมดเธอไงเพรา ะ, ะอะไรเพราะมันหลงร่างกายตัวเองถ้าไม่หลงร่างกายของตนเองทําใจทําความเข้าใจในใจของตนเอง ขนาดร่างก า, กายยังไม่ใช่ตัวตนนักใจนะจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้มองใจของตนเองอีกในเมื่อมองใจของตนเองใจของเราเนี่ยมันก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดตนเองเท่นี้นึกอย่างนั้นคิดอย่างนี้ปรุงอย่างนั้นแต่งอย่างนี้อมันถูกเด็กถูกเด็กถูกเด็กมันออกไปจากใจทั้งหมดเลยขนาดใจของตัวเองยังเป็นอันนี้จังไม่เที่ยงอีกมันไม่แน่นอนมันไม่ตรงมันไม่เน่งมันยังคิดถูกเด็กลูกเด็กตลอด ใจของเราไม่เที่ยงสิ่งไหนเป็นอเนจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานะ อ, อ่เป็นปฏิเสธกระทั่งดวงใจกระทั่งความรู้สึกนึกคิดนะี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนะออถึงจะพิจารณาอย่างไรก็ตามภายนอกแต่ผลใสุดมาย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจนะมันเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมด ทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามันความหลงมันอยู่ที่ใจทั้งหมดกิเลสอยู่ที่ใจทั้งหมดราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทั้งหมดนี่นะให้ย้อนเข้ามาหาตัวโกรดนีตัวนี้นะย้อนสอนเข้ามาหาตัวตัวเองพิจารณาตัวเองทำใจเขา้าทาใจในใจตัวเองกันกลองในใจตัวเองจากนั้นเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคายนิ่พิธาไม่ใช่เบื่อที่ไหนนะเบื่ออยู่ในจิตในใจรู้แจ้งเห็นจริงในใจ นั้นหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะพระเนนลูกหลานทั้งหลายให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาทางนอกเราก็ดูทางนอกที่อย่างหลวงพ่อได้ชี้ให้ดูนะั่นนะเมื่อกี้เข้ามาข้างในก็ดูข้างในอีกเจงไหมแต่หลวงพ่อเองมั่นใจจึงได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังตอเ น, นื่ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในที่นี้นะ